นั่งเจริญสติร่วมกันนะปฏิบัติไปภาวนาไปทําหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละท่านไปภาวนาที่ที่กําลังทําอยู่เป็นหน้าที่ที่น่าจะมีความสําคัญในอย่างยิ่งทุกท่านก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่องการพูดการคุยเพียงแค่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นส่วนประกอบสำหรับให้สิ่งที่เราทำอยู่ได้เกิดความรู้เกิดแนวทางเพิ่มขึ้นกับตัวเองความรู้บางอย่างเกิดขึ้นกับเราเองจากการปฏิบัติโดยตรงความรู้บางอย่างก็ได้จากคำพูดแนะนำอุบายบางอย่างที่เป็น อย่าคิดจากบุคคลอื่นถ้าเราไม่ทำแล้วบางทีในการพูดคุยก็ไม่รู้แต่ถ้าเราทำอยู่นี่ตัวการกระทํนนั้นถ้าเราทำใยความตั้งใจทำจับหลักการเบื้องต้นได้สำหรับตัวเองตัวการทำนั่นแหละมันจะเป็นทางสำหรับที่จะให้เราไปสู่ เป้าหมายของการทำได้ในระหว่างนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ของการที่ได้มีโอกาสประทับหน้าที่ร่วมกันอีกในรอบหนึ่งเดือนทั้งส่วนผู้ที่มีความตั้งใจมาทำมนานี้โดยตรงกับของท่านที่พอจะแบ่งเวลา ที่จะทำรวมกันทั้งสองอย่างในคราวเดียวกันในการทำสองอย่างในคราวเดียวกันนี้มันมีบททดสอบหลายๆอย่างในกระดาษที่มันอยู่แล้วมันออกแต่การทําแบบมีเรื่องอื่นมาผสมด้วยนี่มันรู้สึกว่ามันมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันได้ศึกษานะ บางนีเรานั่งระหว่างคนที่นั่งเจริญสติที่สล า, านี้อาจฉะ น, นั่งไปบางทีก็ง่วงนอนไปบางทีก็พุ้งไปกับความคิดมันนั่งอยู่กับที่อยู่โดยรูปแบบภายนอกอาจจะได้ทําเต็มที่ไม่ต้องทําอะไรมากแต่ขณะที่ทําไปก็มีเครื่องรบกวนบางอย่างที่มารบกวนขณะที่เราปฏิบัติ แต่บนท่านที่ทํานอกรูปแบบอาจจะทํางานไปไพย่้าไปมันไม่ค่อยมีคนนี้ไพย่้าไปง่วงนอนไปใช่ไหมทางานไปด้วยง่วงนอนไปด้วไม่ค่อยมีนะมันก็มีบางที่มีอาการเห็นเวทนานเห็นมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันล้ามันขบเนี่ยมันเห็นอยู่บางทีเราตั้งข้อสังเกตเราตั้งใจปฏิบัติทำจริงๆเวลาไปปฏิบัติ พอทำมาอยู่ที่แพร่เนี่ยแพรแสงเทียนอยู่ข้างนอกมันอยากปฏิบัติอยากเข้าเจ็บอารมณ์ตอนอยู่กับหมู่คณะแต่พอมีโอกาสได้เข้าปฏิบัติแท้ๆก็ไปต่อสู้กับความง่วงต่อสู้ความง่วงต่อสู้ความเหงาต่อสู้กับความว้าเหวอะไรใจมันเป็นแบบนี้เวลาอยู่กับหมู่คณะอยากเข้าเจ็บอารมพอได้โอกาสจากหมู่คณะแล้วเข้า ป, ประโยชน์เจ็บอารมณแล้วกับ อีกอารมณ์นงมาแทรกขึ้นมาอีกแทนที่จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติมันรู้สึกเบื่อเบื่อเพลียเส็งๆไปแบบนี้ไม่อยากทําความเพียรมีแต่ความเมื่อยลา้ามีแต่ความอ่อนเพลียมีแต่ความขี้เกียจความตั้งใจเบื้องต้นก่อนที่จะมาเข้าห้องกรรมฐานกับเวลาเข้าไปแล้วพวกอย่างมันล้วนอยู่พึ่งกับจิตของเราเอง คือเวลาอยู่กับหมู่คณะเขาอยากเขเ่อเกยบอารมณ์คิดว่าการเกยบอารมณ์น่าจะเป็นอีกช่วงจังหวะที่เราจะมีโอกาสได้พัฒนาในสิ่งที่เรามีให้มันเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปแต่พอเข้าไปแล้วก็ไปประสบปฏิอารมณ์หนึ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดเวลาศึกษาเรื่องนี้มันล้วนแต่เป็นช่วงเวลาที่ หลงพ่อทักที่าให้ศึกษาอารมณ์ไม่ได้ให้ไปเอาให้ให้ศึกษาในสิ่งที่มันเกิดทุกอย่างในเพราะถ้าประมวลจากความรู้สึกที่เราต้องการแล้วคือต้องการสิ่งที่เราอยากได้คนเวลาทําอะไรก็อยากได้อันนั้นแต่มันไม่ใช่กับการปฏิบัติทำไม่ได้วันนี้พวกโยมยายอยากพยายได้จะเยอะ อาจจะเลขมือภายยะให้มาได้ทนเจ็บคนปวดหน่อยอาจจะได้นคนละห้ภาภนะัยสิภัยอันนี้มันทําได้มันทําได้อยู่เพราะวัตถุภายนอกมันทำไม่ยากหรอกแต่พอมาจับเรื่องเรื่องภายในเรื่องอารมณ์เรื่องนามาทําแล้ว ม, มันคนละเรื่องกันมันเป็นอีแบบหนึง่งพอเรื่องนี้ทําไปถ้าไม่ไม่สื่อสารเรื่องอารมณ์ด้วยนีถ้าทําไปพร้อมกับความงยา อยากอยากนี่อยากแกได้น้นได้นี้อยากแกเห็นน้นเห็นนี้นี่พอมีความอยากแล้วถ้าไม่รู้เท่าทันมันมันเกิดปัญหาดังนั้นประสบการณ์ในการทำของแต่ละท่านก็ต้องพยายามสังเกตพยายามสังเกตถึงสิ่งที่มันเกิดเงือบตัวนอกจากการที่เราตามสังเกตเรื่องเรื่องกายแล้ว เรื่องเวทนาแล้วก็ให้ลองปเปลี่ยนมาสังเกตเรื่องอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ละช่วงแต่ละช่วงบางไม่ต้องคิดถ่ายมันเกิดนะไอสังเกตก็คือสังเกตในสิ่งที่มันเกิดแล้วนัว่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นมาก็สังเกตอันนั้นก็ให้รู้นั้นนั่นแหละคือสิ่งที่ที่เราต้องไปเรียนรู้ในการปฏิบัติภาวนาจริงคือลาพังเรื่องกายที่เราเห็นก็พอเห็นดูท่า น, นปวดเมื่อยก็เห็นนะ ทำอะไรเห็นแล้รมันเทศไมนได้ง่ายเรื่องเวทนาในการที่จะไปเ็นเรื่องเรื่องในในล้วเห็นแบบรู้เท่าทันมันแบบแบบศึกษามันเองเีนในแบบ น, นมีตอนหนึ่งตมาวคิดว่าปฏิปัติ์เราไม่ได้ลมดีนะในช่วงก่อนพรรษาสิบนะมีช่วงหนึ่งนึกนึกละอายตัวเอง บางทีเนึกสมเทศตัวเองลงไปเยี่ยมลงไปเยี่ยมบ้านทีนี้ระหว่างนั้นก็ไออารมณ์ของการอยากจัดตีกวิเวกอยู่คนเดียวยอยากจะไปอยู่ป่าคนเดียวอยู่ที่มันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครมากมันก็เป็นความอยากพาไปนั่นแหละไา เยี่มยมญาติทางนนทบ้างทางในบ้างเขาแ น, นะนาว่าตรงนี้มีปา่าป่าใหญ่เนื้อที่สามร้อยไร่้าร้อยไร่ไปดูไปดูเพื่อที่จะไปอยู่นั่นแหที่จะอ่านแนวเขียนของหลวงปู่พุพทธทาสอ่านาแนวเขียนท่านแล้วท่านมาอยู่สนมกใหม่ๆอยากจะไปทำตามไปจะที่ไปพักกับญาติบ้านญาติบ้าน พักอยู่วัดนั้นก็มีนองตาท่านพ่อวัดอยู่รูปหนึ่งเราก็ไปอสศอยู่ด้วยแล้วก็ในบิณฑบาตได้เลยวันนั้นได้ไปบิณฑบาตเดินไกลนะตอนคืนฝนมันตกหนักน้ำนองไว้ทั่วทุ่งมันก็น่าเดินพอกลับมาแล้ววันนั้นฉันเสร็จแล้ว ทานเสร็จแล้วไอ้เรื่องที่มันจะเกิดมันเกิดแบบแป๊บๆหนึ่งนะมันไม่ใช่เกิดแบบแบบมันตั้งหลักไว้ก่อนนะทีนี้ก่อนประมาณสักสิบเอียโมงเศษมีโยมเอาส้มตามาถวายมาดูเวลาเออมีคนพอมีเวลาอยู่ก็เลยไปฉาญส้มทําที่โยมมาถวายบากฏว่ามันมันรู้สึกว่ามันอร่อยมันนี่ มันมีส้มตามข้าวเหนียวแล้วก็มีปลาย่างตัวหนึ่งเลยอันนี้พู้ร่างกิเลสได้ฟังนะไม่ใช่ธรรมะปรากฏว่าฉันไปมาติดรถสิมันติดรถอ่ะกําหนดรู้ไม่ทันเนี่ยยิ่งมันอาหารถูกฆ่ากันนะไม่ได้ฉันนานอยู่ที่แพร่ก็ไม่ก็ได้ฉันอาหารแบบที่ที่นั่นพอไปฉันปรากฏว่าขณะฉันไปมันลืมกําหนด ดังพวดเลอยอะ่ยามดินเดียวของไปขัดลิ้นตัวเองพอขาดเลี้ยนเสร็จนึกทางนึกสมนาตัวเองนะงนึกสงสารตัวเองเอีอเราฝึกมาขนาดนี้แล้วมาพลาดทายแค่สมตมโคกเดียวนี่วันนั้นนึกสมเพลตัวเองโอ้นี่คือความอยาก บางทีถ้าไม่รู้เท่าทันมันมันเสียเปรียบมันได้ง่ายๆนะไอที่เราอยู่กับมันตลอดเวลานี้แหละแต่บางช่วงก็แพ้มันเรื่องอารมณ์เนี่ยนั้นพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาในการศึกษาพวกนี้ต่้มาบางทีก็ศึกษาแบบคือมันไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราเก่งเราดีนะเราคิดว่าเราวางตัวแบบเป็นเป็นกู้ศึกษาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรา ทั้งส่วนที่มันดีแล้วก็ไม่ดีเนะี่ยเพราะแต่ก่อนนี้มันนิสัยมันติดดีอยากทำดีอะไรดีๆนะถ้ามันทำดีตามนั้นไม่ได้ก็อาตอมาแฮ่คำพูดลงค ว, ว้าคำหนึ่งนอนไม่หลับทั้งคืนวันนั้นไปอบรมที่พระธาตพระธาตุภูครูแค่ อำเภอนาน้อยจังวัดนัน่นไปเที่ยวอบรมอยู่สิบห้าวันแล้วหลวงพ่อก็เอาเด็กจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นั่นขึ้นไปอบรมที่นั่นทีนี้เราก็เข้าเขีย่ยวอบรมตรงกุฏิไม่ไกลาจากตรงบริเวณที่หลวงพ่อบรรมเด็กขนาะเดินองกรมอยู่ประมาณขนาดนี้แหละหลวงพ่อกําลังคุยอยู่เราก็เลยความคิดนีมันแวบดึงเราเกีวข้องกรรมฐาน หลวงพ่อเวลาอบรมเด็กท่านคุยยังไงนะคุยกับเด็กเนี่ยเลยพอเด็กที่เป็นเด็กพวกเด็กชาวเขาเด็กมูเซอร์เด็กระร้ายเผานี่เขามาเรียนในเวลาหลวงพ่อคุยกับเด็กเขาคุยยังไงไปก็เลยไปยืนข้างๆตอนนั้นท่านอบรมอยู่ข้างๆบริเวณพระาธาตุนะกลางคืนท่านก็เลยเห็นเราไปยืนตรงนั้นนก็เลยเรียกไปเรียกไปคุยกับเด็กแทนนะ่ะ โอ้เจ็บอรมมาเกือสิบกว่าวันนะขเขาเก็บอารมมามันปรุงแต่งสละพัดนะมันอยากคุยนู้นคุยนี้อ่อะหลวงพ่อให้กาสคุยทีนี้ทีนี้คุยมันออกรถออกชาติเด็กคือเราตั้งใจจะพูดเรื่องความกตัญญูของพ่อแม่ก็เลยยกเอาเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เราเคยคือตอนที่มาอยู่หลวงพ่อเสาเนี่ยพ่อเสาคือเป็นเถดพระลูกเมืที่หลวงพ่อเคยส่งมาปากป า, กปานรุ่นแรกมีหลวงพ่อเสา มีหลวงพ่อตีมีอาจารย์ชาญแล้วก็มีอาจารมามาอยู่ด้วยกันสีลูกวันนี้ไปไปในบ้าน ป, าป่าปานไปดูพันไม้โยมว่าฝากพันไม้มาจากเียงลาย mm hmm. ก็เลยว่าจะไปเอาพันธไม้ไปบ้านโยมสองคนโยมแม่สองคนที่อยู่ข้างๆวัดนั่นนะ mm hmm. ก็นึกว่าท่านอาจารย์ราไม่ได้ก็ตีตาดูนะั่ หลวงอาจารย์ยุดไปเดินจําได้ไหมใครจําได้ก็่้ยจําได้ก่าหลงพ่อดวงศินรตรนั้นพอไปคุยสักพักหนึ่งไป อ, อยู่ตรงนั้นปรากฏว่าหลวงพ่อเสาเนี่ยท่านเคยเล่าเรื่องเรื่องราวตัง้งแต่เป็นเด็กให้เราฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านกับแม่กับ เรื่องผ่านวิญญาณประมาณนี้แหละท่านพูดตั้งแต่ท่านเป็นสมัยเป็นโยบโน้นว่าแม่ท่านตาที่โรงพยาบาลทีนี้ท่านก็เลยจะเดินทางจากโรงพยาบาลนครราชสีมาไปที่อำเภออมวนหน้ามันต้องผ่านโดงผ่านป่าทีนไปที่นึงต้องผ่านผ่านโดงที่เขาว่าผีตายโหงเ่ยนะแล้วท่านกบอกว่าท่านผ่านได้โดยท่านตั้งใจและลึกถึงคุณบุญคุณแม่แล้วก็เดินรอดท่านบอกว่าผีตายโหงมันยืนยืนขวางทางนะ แต่มาพูดมาตรงแบบนี้เนะี่ทีนี้พูดมันเวลาพูดเนี่ยคนเก็บอาลงคนที่ไม่ได้พูดนานเนี่ยมันมันคุยแล้วมันคุยคุยจนเด็กคนร้องเนี่ยเด็กมันกลัวกลัวตอนที่เราทําท่าผีมันยืนข่มทางไว้นะ เ, นเนี่ยเด็กร้องกรี๊ดึ้นหมอนเลยมันกลัวหลวงพ่อเดินมาเดินมาแล้วเอาไม้จากมือเราไปหลวงพ่อพูดคำหนึ่งพูดในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ เราก็เอาไม้ไปตอ น, นก็เดินกับปุติไม่หลับทั้งคืนคำนี้ไม่หลับเพราะอะไรไม่ใช่กลัวหลวงพ่อนะอย่าพูดเรื่องวันติดดีให้ฟังเอ๊เราทําไมขี้เหล่ขนาดนี้เนี่ยเพียงแค่พูดกับเด็กแทนที่หลวงพ่อจะไว้วางใจในการทํางานโปอยไงยทําแล้วยังมาทําให้เสียงานหลวงพ่ อ, อเราใช่ไหมล่ะจริงๆคือที่เราพูดเรายังไม่ได้สรุปอะเราจะสรุปว่า ที่ลงที่ท่านผู้นี้ที่ผ่านผ่านผีตายโหงไปได้หนึ่งเพราะเพราะบุญคุณของแม่เพราะท่านว่าท่านละลึกถึงคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเดินผ่านไปโดยที่มันทําอะไรเราไม่ได้เลยท่านพูดทั้งจุดเนี้ยแต่เรายังไม่ได้สรุเลองพอมาแย่งไม้ก่านเพรเด็กมันน้องเกลีย้ยกลับไปเดินนอนก็ไม่หลับเดินกลมก็ไม่ออกไม่อยู่พอมาคิดซ้ําเติมตัวเองกับสิ่งที่เราทําลาด เพียงแค่เนี้ยมันก็เป็นอีกช่วงอารมณ์ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราที่มันเป็นเรื่องจริงๆริงนะบางช่วงที่เรามีโอกาสได้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่องทำมาในโชคดีหน่อยทำความเพียรโชคดีตรงที่ว่ามันอาจจะใช้เวลาไม่นานในการปฏิบัติในช่วงระยะแรก ทำครั้งแรกได้แค่สามวันก็หยุดไปโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่มันชัดเจนพอทําครั้งที่สองพ่อดูแลตั้งแต่วันแรกเลยไปถึงวันที่ห้านั่แหละที่ทําวันที่ห้าของการทํำนี่มันมันมีหลายๆอย่างที่เป็นประสบการณ์ในเรื่องที่เราคุยคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ก่อนไม่เคยรู้จักอะไรคําว่าปริปเสนูเลยจินตยางก็ไม่รู้จักแต่มันมีเฉพาะส่วนที่เราเกิด เกิดเดพอทีหลังมาเริ่มกรอลองดูที่ครูบาอาจารย์ลําเรียงให้ฟังมันเกิดกว่าทุกเรื่องพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมันจะมีช่วงระยะแรกๆประสบการณ์เรือนี้จะค่อนข้างที่จะทีเนะี่ยแต่ก็เป็นประโปรประสบการณ์ที่มันยำ้ยำๆเรื่องเรื่องของการเกิดสภาวะความชัดเจนของสติแล้วเกิดบางช่วงก็มีอาการที่เกิดความหลงตัวเอง เกิความสําคัญมัตต์หมายในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็มาประเมินถึงช่วงบางช่วงที่ในเมื่อมันเกิดสภาวะทางการภาวนาที่มันเกิดขึ้นเพราะเราตทำงความเพียนทําความเพียนที่มันถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดเป็นสภาวะขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องการดูด้านในนะดูอาการที่มันเกิดทั้งโดูที่เป็นส่วนที่มันเกิดขึ้นกับกับกายส่วนที่เป็นเรื่องกายพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันแทบไม่ต้องสร้างเจิงหวะมันแทบไม่ต้องเดิน การเคลื่อนไหวเล็กๆ น, น้อยๆมันสามารถจะไปกระตุ้นให้เกิดความชัดเจนตัวปีติความสงบด้านในมันจะเกิดเคลื่อนซ้ำไปอยู่กับความความรู้นั้นอ่ะมันจะเริ่มเกิดตามลําดับพอมันเกิดเรามีโอกาสได้สังเกตพวกนั้นนี่ยเตือนลมช่วงที่มันเกิดระหว่างนั้ น, นถ้าเราไม่เป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยอาการที่ไปสําคัญมั่นหมายในสภาวะที่เกิดนี้มัน มันจะมีจุดนี้แหละของการเกิดของอารมณ์เนี่ยเพราะเพราะการประเมินโดยการย้อนขึนไปดูด้านในที่มันชัด ก, ก็คือว่าเราเคยผ่านมาเกือบทุกอย่างสภาวะจิตที่มันทุกมันเคยมีปัญหามาก่อนหน้าเนี้ยราคาโทรศัโมหะพวกเนี้ยพอเราไปลองสํารวจลองดูในขณะมันไม่มีในขณะนั้นนะมันไม่มีในความรู้สึกของเราในขณะที่มันเกิดสภาวะนั้นเนี่ยมันไม่มีพวกนี้ พอคนคิดว่ามันไม่ีพวนี้มันคืออะไรนี่คือจุดหนึ่งที่มันทำให้เกิดความหลงหลงในลมตัวเองจนบางคนก็ไปสำคัญผิดแล้วก็ไปประเมินตัวเองอะไรที่มันสูงเกินไปคือลมที่มันละเอียดไปก็เคยเคยสังผัสมาก่อนข่อนที่จะเกิดพวกนี้แต่พอเวลามันเกิดที่มันอยู่แบบไม่ได้มีการปฏิบัติที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ มันภาวนามาตั้งจุดหนึ่งแล้วมันเกิดสภาวะขึ้นมารองรับของการภาวนา เ, นเพื่อเราอยู่แบบธรรมดาธรรมดานี่พอได้กระทบแล้วนี่ยมันจะทําให้เกิดเห็นค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนของอารมณ์ด้านในนะมันชัดมันชัดเพราะในขณะนั้นเราเราอยู่กับธรรมชาติที่อันในสองของตัวตัวสมาธิเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมารองรับ เพืจะให้เราได้ศึกษาพู้นั้นนี่ถ้ า, มาไม่ไก็าตามที่มันมีมีผลของเรื่องของสมาธิของกีจด้านในที่อยู่แล้วมันนั้นมีจริงในขณะนั้นนะ่ะเพราะอันในสองของการเกิดของสมาธิพวกเนี้ยเราจะคอยหล่อเลี้ยงหลวงปู่เทียนใช้ว่ามันมันก็หินทับหญ้านะ่ะหินที่มันทับหญ้าไวนะ้ขณะที่มันทับไว้หญ้าก็ไม่เกิดใช่ไหมแต่ธรามะหญ้ามันตายไหมพอเรากลิ้งหินออกหญ้าก็เริ่มปลงเกิดขึ้นมาอีก มันจะคล้ายๆกันเวลาปฏิบัติไปมันก็ยินทับญาติแต่พอมันเกิดขึ้นมาตามช่วงเวลาที่มันเกิดจริงๆที่ขณะก็คือมันอยู่แบบเนี้ยเวลาเกิดการการะทบเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นการประเมินในสิ่งที่เรามีอยู่ว่ามันนํามาใช้ได้บ้างน้อยแค่ไหนนั้นที่ผ่านมาอตาตมาจึงไม่ค่อยประเมินตัวเองว่าตัวเองนั่นนี้อ่ะ วางเราเป็นผู้ศึกษาดีกว่าบางช่วงที่เราเคยเคยมีความอยากที่มันอยากขึ้นไปในเรื่องของการผลการปฏิบัติคือเหตุเป็นเหตุปัจจัยบางที่มันยังไม่ถึงเนี่ยถึงระวังไว้ว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันเมื่อมันไม่ไมถึงเราคิดว่ามันจะให้มันเป็นก็แค่ความอยากความอยากแกเป็นเครื่องล่อเราไปเฉยแต่พอเราประเมินแบบเป็นผู้นักปฏิบัตินักศึกษารู้หนึง่ง ไม่ต้อเป็นอะไรแหละเขาเป็นแบบนี้แหละมีทุก อ, อย่างที่มันมีอะไรที่มันเกิดแล้วก็เราเห็นแต่ศึกษามันเอาเวลาเกิดขึ้นมาแต่แต่ครั้งศึกษาถึงถึงอัศทะแล้วก็อารทินวะอสาทะคือความคือคุณของมันแล้วก็อารทินวะคือโทษของมันในสิ่งที่มันเกิดพวกเนี้ยบดหนึ่งแล้วมันมันเกิดความโดยเพราะศึกษาเรื่องโทษของมันเนี่ย มันได้ก็อหนึ่คือมันเกิดความความจางคลายออกมันจะมีความเบื่อในสิ่งนั้นในสิ่งที่เราเห็นโทษเราไปเกี่ยวข้องแล้วมันเกิดผลต่อเราเรามีความอ่อนเวลาไปเจออารมณ์นีเน้เรามีความหมอนแอร์ยอมรับว่าเรามีความหมอนแดสู้กับอารมณ์นี้ไม่ได้แ บ, บน่นี้แต่พอมันเกิดถึงช่วหนึ่งของเป็นช่วงอารมณ์เนี้ยในระหว่างที่เรากระทบ ก, กับมันเนี่ยเรายอมรับว่าเราสู้ไม่ไหวในขณะนั้น แต่พอหลังจากผ่านมาแล้วเนี่ยตัวสติปัญญามันเกิดขึ้นตามปกติตัวปัญญาด้านในเนี่ยจะไปบอกนี้เลยว่าอันนี้คือคือความจริงของเราในขณะนั้นมันจะมีบทมุนีเที่ยวว่าในจิตตานุปัสนาสติปฐานเนี่ยเมื่อจิตมีราคะคอยรู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตมีโทสะคอ้รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตมีโมหะคอ้รู้ว่าจิตมีโมหะ ท่าว่าให้รู้ว่ามันมีนะให้รู้ว่ามันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มีเวลามันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามันเกิดทีนี้ขณะที่ให้รู้มันเนี่ยตรงจบนี่แหละที่เราจะรู้จากความจริงตัวเองว่าเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นธรรมาจะดูแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะให้เข้าข้างตัวเองดูตามที่มันเป็นจริงนี่แหลย อะไรมีก็ร่วนมีแค่นั้นนะในขณะที่มันเกิดขึ้นขณะที่มันอยู่กับระหว่างการเกิดขึ้นทั้งสองส่วนส่วนที่มันเกิดด้านในเรากับตัวที่เราไปดูมันเนี่ยถึงแค่ดูให้มันชัดดูสิ่งที่มันเกิดให้มันชัดรู้จักความเผ็ดร้อนของมันในส่วนที่เป็นทำไฟ่ากุศลนี่นะรู้จักมันจริงจริงรู้จักความเผ็ดร้อนของมันว่ามัน มันมีอิทธิพลต่อจิตของเรามากน้อยแค่ไหนเราอ่อนก็รู้ว่าเราอ่อนเราไม่สู้ก็บอกว่าเราไม่สู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคือเราไม่ปเป็นฏิเสร็จตัวเองเรามีการไปประมวลตัวเองตรงๆเพราะเราเราก็เป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ที่จะศศวิเิษวิสุทมาจากไหนเราเป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งทีนี้นักศึกษาเนี่ยมันต้องรู้อย่างของแท้กับสิ่งที่มันเกิดใช่ไหม ปก <ith> ีิเขาจะอะไรได้เขาต้องผ่านการรู้หมดเลยรู้แล้วรู้แล้วรู้จนมันเบื่อรู้จนมันรู้ว่าจากนี่คืออันี้เราไม่สงสัยแล้วอันนี้คือราคะเราไม่สงสัยแล้วอันนี้คือโทสะเราไม่สงสัยแล้วอันนี้คือโมหะเราไม่สงสัยแล้วนี่คือโลภะเราก็ไม่สงสัยแล้วคือไม่สงสัยในสิ่งที่มันมีให้มันเกิดความรู้สึกว่าในสิ่งที่พระเจ้าตัดว่าเรื่องนี้มีโทษท่าว่านี้คือความร้อน ราคะทิโทสะสักิโมหะทิไปคือราคะไปคือโทสะไปคือโมหะให้รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นไฟตามที่ท่านตัดโดยที่ไม่ต้องแย้งนะนี่คือส่วนที่มันเกิดขึ้นจากความรู้ที่มันผ่านจากการสังเกตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำตัวนี้เราทําไปเรื่อยๆพอทําสักพักหนึ่งเนี่ยเคยถามหลวงพ่อว่านี่หลวงพ่อครับ ก่อนหน้านี้ที่เคยปฏิบัติมาเวลาไปเจอสิ่งนี้เนี่ยทาไมมันรู้สึกมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดานึงซึ่งมันแตกต่างจากการเคยเคยรู้จักครั้งแรกๆท่านบอกว่าท่านก็เปรียบเทียบว่าระหว่างเดินจากจุดหนึ่งไปส่งจุดหนึ่งเนี่ยโลเดินไปครั้งแรกสิ่งที่อยู่ข้างทางเนี่ย มันจะทําให้เราเกิดความเพลินเกิดความพอใจในสิ่งนั้นดอกไม้สวยอะไรสวยแบบเนี้ยครั้งแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่พอเดินไล่รายรอบเดินไลรายเที่ยวเนี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งที่เราเห็นแต่ก่อน <c oughs> ใหม่ใหม่นี้เวลาเกียรติประดมนี่เวลาเวลาเจออลยทีต้องต้องมาลงข้อที่กุฏิมารายงานเนี่ยท่านทราบบางทีถ้าเขไประหว่างช่วงที่เราเกียรติปรมท่านเข้าไปแล้วก็ไปนั่งเราก็ได้รายงานท่านทราบ แต่บางช่วงมันอดไม่อยู่ก็ต้องมาหาท่างที่กุฏิคือมาพูดสภาวะให้ฟังแรกๆเนี่ยแต่พอนานๆมันมันผ่านหลายครั้งเข้าหลายๆครั้งเข้ามันก็ไปเรื่องธรรมดาอย่างตุวันนี้เวลาปฏิบัติมีโอกาสได้ปฏิบัตินี้ให้ปีตีมันจะเกิดไม่เกิดก็ไม่เป็นไรมันเกิดมาก็ดีพอแค่ให้รู้มันน่ะแต่ก็รู้ว่ามันกําลังเกิดมันเกิดถ้ามันได้เกิด ก็อยู่กับความง่วงบ้า ง, บางเบือ่อบ้างเซ็งบ้างรู้บ้างสลับกันมันจะสลับกันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยรู้รู้ในสิ่ที่มันเกิดกับเราในขณะนั้นบางทีแทบไม่ปฏิเสธบางทีอาตมาสู้งตรงนะงเช่นเวลาง่วงสู้ตรงกับความง่วงบางครั้งนี่ไม่ยอมเปี่ยนท่ายมันอาตมาเคยนั่งลงแบบตุก๊กตาลงลูกนะนั่งคนเดียว ไงหลังตื้มเลยนี่ยง่วงขนาดนั้นเนี่ยเวลาสู้ตรงตรงแต่พอทํางาหลังตะคันแล้วก็ตาสว่างนี้เนี่ยมันกากาไม่แย่งง่วงเลยทุกคือ ถ, ถ้าสู้ตรงๆเนี่ยถ้าสู้มันตรงๆเนี่ยถ้ามันได้แสดงผลมาเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็กลับมาสู่ภาวะปกติคือมันจะหลุดอันนี้คือความโชคดีจุดหนึ่งคือมันไม่หนื่นานเวลานั่งปฏิบัติอาจารย์กรสินนั่นชอบนะ ท่านเอาฝ่ามืกฟาดฟาดแกนี้นั่งข้างๆด้านนี้แต่ไหวอยู่กับท่าฟากมือฝ่า้าพฝ่ายยันฟาดตีนก็คือมันร่งตัดไม่รู้หายไปไหนนี่วอนโอกูบาจังช่วยเหลือเราคือถ้ามีคนสะกิดสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะหลุดออกแต่ถ้าอยู่คนเดียวคล้ายๆว่ามันมันจะมันจะเนิบๆนะหลวงพ่อท่านเคยบอกว่ามันเป็นสมาธินี่วอนเหมือนกับเราเหมือนกับเราไม่หลับเราก็ยังสร้างนิวรัยอยู่ เราเคลื่อนบางทีก็ได้ยินเสียงแบบพระผ้านี่นะเห็นแบบพระผ้าได้ยินแบบพระผ้าแต่ตัวที่มันหล่อเลี้ยงแล้นก็คือมีความรู้หล่อเลี้ยงอยู่นี่หลวงพ่อมันเป็นสมาธินิวรรธนคือเวลามันเกิดจะเกิดแบบนั้นแต่ถ้ามีการสะกิดสักครั้งหนึง่งด้วยคำพูดบ้างหรือด้วยอะไรบ้างที่มันทําให้เกิดความตื่นตัวในขณะนั้นเวลาหลุดก็คือหลุดเลยหลุด ก็คือแม่กลับคืนมาอีกกับพวกนั้นมันันกับเราปฏิบัติไ้สักช่วงหนึ่งเวลาเราต่อสู้นิวรเวลาเราปฏิบัติถ้าสู้แล้วมันหลุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัแทงก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะมันเป็นภาวะปกติที่เราเราย้าเบื้องต้นมาก่อนหน้านี้เพื่อจะมาถึงจุดนี้แต่เรามาประสบกับนิบวรก่อนพอเราเจอนิวรแล้วเราไม่ถอยเราปฏิบตัติต่อสู้จนมัน มันสามารถก้าวข้ามโรคนิวรอนได้เนี่ยทีนี้ความชัดเจนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็จกดเกิดมาหลังจากที่มันผ่านนิวรอนมาเนี่ะพอพื้นฐานเบื้องต้นเราเจริญสติใหม่ใมันยังไม่มีนิวรอนใช่ไหมแล้วก็ทํากําหนดรู้ได้ระยะหนึ่งแต่พอสักระยะหนึ่งก็ไปประสบกับนิวรอนก่อนซะแต่พอมันประสบแล้วเราไม่ถอยเราไม่หยุด เรา ท, ำทํำจนมันหลุดอ่ะหลุจากอารมณ์นั้นพอรู้ดจากอารมณ์นั้นเขเ็ดปะใจบางต้นที่เราทํามาก่อนหน้านี้คือการ ก, ารกําหนดรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดามันก็มาสู่ขั้นเนี่ยขั้นเป็นขั้นของสติที่มันชัดความรู้ตัวที่มันชัดเจนความเบาเนื้อเบาตัวความคิดที่มันลดน้อยลงนี่วันไม่ครอบงําอิทที่ไม่ต้องไปคล้องกับความคิดมีแต่ความรู้สึกตัวเวลาเคลื่อนเวลาไหวแล้วก็จะก่อตัวขึ้นตามแบบขั้นเขา มันเกิดเป็นปีติเป็นปลามมดพวกนี้มันยังมันอยู่ขั้นของขอ ง, ของการภาวนาทีนี้หลังจากขั้นนี้เราจะเริ่มเริ่มภาวนาสะดวกภาวนาได้นานขึ้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะไปเสพมันก็มีโอกาสให้เราได้เสพเช่นเสพกับความรู้สึกตัวที่มันเบาๆที่มันมีปีติความหลอเลี้ยงพวกเนี้ยหรือเราต้องการที่จะไม่อยู่อารมณ์นี้แต่เราต้องการที่จะดูสภาวะด้านในเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะให้เราเลือกเลือกติให้เราไปดูอะไรก็ได้หลังจากนั้นเพราะมันช่วงที่เราจะต้องผ่านขั้นหนึ่งมาแล้วพอมาถึงขั้นนั้แล้วก็เริ่มเริ่มปฏิบัติได้สะดวกขึ้นทําอะไรได้เป็นเรื่องละเอียดมากขึ้นในเรื่องการดูด้านในนะเพราะถึงช่วงขั้นนี้แล้วมันอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องอยู่ภายในตัวเรามันเป็นอุปกรณ์ที่จะให้เราเคพื่มความรู้สึกตัวได้หมดเราจะก้มเราจะเนยเราจะ ทำอะไรก็ได้ที่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวซึ่งความรู้สึกตัวจะเป็นตัวอาหารตัวนึงที่จะให้เกิดความสงบด้านในความสงบขั้นที่สองหลังจากขั้นนี้แล้วมไม่เกี่ยวข้องเสียงไม่เกี่ยวข้องกับรูปไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยแต่จะเป็นความสงบแบบพิเศนเนี่ยหูก็ได้ยินตาก็เห็นรูปแต่ไม่ได้สนใจนอยู่ด้านในมันจะมีเครื่องอยู่ เครื่องอยู่ด้านในนี้ ต, ตรงทุนนี้มันยากทาให้เราปฏิบัติได้ง่ายขึ้นดังนั้นเวลาเราเปิดเปิดใจเพื่อการศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันไม่จากความเพียอย่างเดียวมาจากการปฏิบัติอย่างเดียวการที่จะวางใจในอยู่ระดับขั้นที่มันพอดีพอดีในการภาวนานี้ก็คือให้เปิดใจแบบเป็นกุลผู้ไข้ต่อการศึกษาเป็นผู้ไข้ต่อการปฏิบัติจริง ใหม่ๆมันก็มีบ้างที่ทําแล้วมันอยากอยากได้น้นได้นี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอพอเราทําไปสักพักหนึ่งพอมันได้อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยไอ้ความที่ได้ยี่ได้ก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสูงอะไรนะมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติของคนของคนที่ใส่ใจต่อการปฏิบัติถ้าคนได้ใส่ใจต่อการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ผ่านั้งกันหมดได้แหละเรื่องพวกนี้ยิ่ปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าพูดเป็นเรื่องชาเรื่องอะไรมันมีอยู่นะถ้ารำเรียงให้ดีเนี่ย พอจะพูดเรื่องฌานยิ่งก็มีใช่มั้งปีตกปีจานปีติสุขเอกคาตาก็ลําเดียงไปมันมีงมันอยู่ขั้นเรามาลองทบทวนอยู่ด้านในโอ้มันก็เคยผ่านมาบ้างพอามพวกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ของการปฏิบัติมันเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่จะให้เราผ่านพวกนี้เป็นใครครัว่ามันเป็นเครื่องเล่นบางทีเขาจะว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกีฬาของคนของนักปฏิบัติฌานกีฬานะ เป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังไม่เกี่ยวข้อง ก, กับการถอนอนุสยัยสอนต้องยศอะไรนะแต่เป็นประสบการณ์เฉยๆที่เราจะต้องผ่านทีนี้บางคนผ่านผ่านหลายรอบก็เริ่มมีความรู้เรื่องนี้ค่อนข้างจะชัดเจนถ้าคนยังเคยแวะๆผ่านบ้างก็เออพอรู้จักว่ามันมีแบบนี้บางทีอาจจะมาคิดแบบเล่นๆคิดแบบคนประมายนั่นจะคิดตามนะคิดคล้ายๆว่าเออ ท่านบอกว่าที่เป็นผลของการปฏิบัติที่เป็นผลของการทําเรื่องเนี้ยมันมีอยู่โดยเฉพาะแต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยมีความสงสัยว่าไอ้ลืมตาสร้างจังหวะเนี่ยทําแบบนี้มันจะเกิดอะไรเนี่ยเวลาทํำใหม่ๆให้ลืมตาให้สร้างจังหวะทําแบบเนี้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรแต่พอมันเกิดจริงเราก็ไอ้ตัวนเราก็ข้ามได้แล้วว่าทําทําไมมันจึงเกิด พอมันเกิดขึ้นมาก็เราก็ข้ามความสงสัยข้อนี้ว่าเออรูปแบบนี้เราไม่สงสัยแล้วว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆพอเรารู้จักเรื่องนี้แล้วเราก็พอประเมินคนที่มาปฏิบัติที่หลังเราได้ว่าหากเขามีความสงสัยเรื่องนี้ก็ไม่แปลกหรอกล้วก็จะกข้องกับอารมณ์นี้เหมือนกันแต่การที่มันข้ามอารมณ์นี้ได้ก็เพราะว่าเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นผลของการปฏิบัตินั้นเราก็ไม่ได้เรื่องการให้กําลังใจของปฏิบัติเออทาไปเถอะ ทำไปถ้าทำไม่หยุดมันอาจจะพบมันอาจจะเจอนัดตัวที่พบเธอเจอมันคาบว่ามันเป็นกำลังใจที่ให้เราเดินต่อไปคือสิ่งที่เราทำมันมันมันมันไม่ไร้ผลมันมีผลของการปฏิบัติอยู่เพียงแค่ให้เราเดินไปตามเส้นทางเดินไปเดินไปปฏิบัติไปถ้าปฏิบัติไปแล้วทำไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ย มันจะรู้จักวิธีการประยุกต์ใช้มีอยู่ข้างหนึ่งที่มันมีหลายข้างแต่มันถ้าคิดไราไได้ก็จะเอามาพูดให้ฟังมีอยู่ข้างหนึง่งจะมากลับจากบินตบาตอนเช้าแล้วไปทํากุฏิรวมญาติที่แพร่แสงเทียนกุฏิตลวงพ่อพระคือปกติกลับมาจากบินตาบาแล้วพอเอาอาหารไว้แล้วตั้งบาตรแล้วก็จะมาที่กุฏิแล้วก็มาปักกวา ไม้เค็ดมาถูมันเป็นกุติสองชั้นนะชั้นล่างเป็นปูนกับเบื้องชั้นบนนี่เป็นไม้สักแล้วก็ทําห้องกลางห้องร่มก็จะพักมันก็มีรอบสีทิศปาดก่อนปาดก่อนแล้วก็ค่อยถูถูชั้นบนก่อนค่อยมาถูชั้นล่างนี่คือทําประจำไอ้ในช่วงใหม่ๆนี่ในช่วงใหม่ๆในช่วงเวลาที่เรายังไม่มีอะไรมากที่ความเป็นเราเนี่ ตัวอย่างเป็นภาระหน้าที่ของครูบาอาจารย์หมดเราไม่ต้องมาชิดเองไม่ต้องมาอะไรเองทําตามท่านทุกอย่างมันเวลาที่มีความเหมาะมากสาหรับการสื่อสารเรื่องนี้คือเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือว่าครูบาอาจารย์ให้เราปฏิบัติแล้วก็แนะนําป้อนข้อมูลเช้าเย็นที่เป็นเรื่องหลักหลักการซึ่งเป็นเรื่องแนวทางโดยตรงที่ให้เราได้เข้าถึงตัวเนี้ยมันจึงมีโอกาสที่เราได้ได้ศึกษาตามขั้นตามตอนตา ม, ตา ม, ตามลําดับ หลังจากที่มันเข้าใจตรงนี้แบบแบบสร้างยังวะแล้วเนี่ะที่เรายกมือเนี่ยมันเกิดสภาว่าแล้วเราผ่านแล้วอันเนี้ยเจอแล้วว่ามันพอต้องการทําวันนี้พฤติกรรมันเกิดอะไรขึ้นเรารู้จักแล้วทีนี้การประยุกต์ใช้เนี่ยในการปัดการกวดในการเครื่องกันไหวมันมาข้างมัโดยธรรมชาติมันมา้างมันเพราะฉะนั้นพอพอปัดคื้นเสร็จใช้ไม่กวดออดปัดคื้นเสร็จพ่อไม้ถูกไปชุบน้ําบิดให้หมาดแล้วก็มาถูพื้น ขณะที่ถูเนี่ยนะถูพื้นเนี่ยผ้าถูพื้นถูถอยหลังเนี่ยกูไปถูมาพวกแกว่าข้อการเคลื่อนไหวขณะที่ถูพื้นข้อการเคลื่อนไหวมันจะมีตัวนั้นหน่ตัวที่มาจากการที่เราเคยสร้างจแกว่าที่เราเคยเคลื่อนใบมือโดยตั้งใจเนี่ยแต่ว่าตอนมันไปเกิดตอนถูกพื้นชัดมากชัดชัดตรงเลยค่ะมันจืดในตัวมันจืดออกจนละมัน มากำ ม, มือวางวางมือจากดั้มไม้ถู ก, ก็มากำ ม, มือพวกนี้มากำ ม, มือมาควบมืองเมันชัดหมดเลยชาวนั้นนะมันได้เกิดตอนที่เราถูเคื่นกุฏิอยู่คนเดียวนี่โอ้มันเกิดชัดถ้าจะประเมินของความรู้ชัดตอนนั้นบางทีมั น, ม, นมันเกิดหนักกว่าตอนที่เราได้จากตัว น, นี้จะซ้ำไปเพราะตอนนั้นขณะที่ถกูการเคลื่อนไหวการยื่นมือการกู้มือเข้ามาของการถูมีน้ำหนักมันมีความหนักหน่วงเวลาถู เราแค่เอาความรู้สึกเข้าไปใส่ตรงนั้นตรงที่ถูกที่กดลงไปมันกลับย้อนขึ้นมาคือความชัดเจนถ้าเจ็นอ๋อก็เลยว่านี่คือการประยุกต์ใช้เวลาไปเกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องแบบเราเพื่อมันโชคเดียวตรงที่ว่าวิธีการเนี้ยท่านเน้นความรู้สึกกลัวท่ามนมาในเรื่องความสงบที่เป็นผลของของสมาธิจิตที่มันขึ้นขึ้นระดับหนึ่ง ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่เน้นตจุดนั้นถ้ามานันเน้นที่เหตุว่าให้เราความรู้สึกตัวทําลงไปก่อนเพราะคนนี้แค่ความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวตัวนี้เนี่ยระหว่างเริ่มต้นทํากับระหว่างที่ทําไปมากๆแล้วมันเกิดผลเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันตอนที่เริ่มต้นทําเนี่ยเมืันเหมือนกับเราสะสมเงินแค่บาทสองบาทประมาณนี้แหละ แต่ทำจนเกิดผลมันหมายถึงเงินมันมันอัตรามันสูงแล้วมันเพิ่มมากแล้วทั้งดอกเบี้ยทั้งอะไรขึ้นมันขึ้นมากแล้วเนี่ยจากการตัวนั้นดังนั้นระหว่างมีเงินหนึ่งบาทกับเงินมีเป็นล้านเงินหนึ่งล้านก็มาจากการที่เราสะสมเงินหนึ่งบาทเพิ่มขึ้นตามลําดับตามจํานวนมันพอถึงจุดหนึ่งที่มันทําจ็นเพลินเนี่ยมันเก็บเป็นเพลินสะสมจป็นเพลินจํานเกิดจนจุดหนึ่งมันมีเยอะๆมันก็มาจากตัวเดียวกันนะ มาจากตัวด้วยกันังนั้นความรู้สึกตัวถ้าทําไปมากๆเข้าแล้วจํะน่าเกิดสภาวะขึ้นมาแล้วมันจะโอ้ไอความรู้สึกที่เราทํามาทํามาจนคือก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มทํทมาทํามันไม้เกิดตัวนี้แไปพอเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทําำไมมันมีคุณค่าขนาดนี้พอมันเนี่ยคือเห็นคุณค่าของการทำนี่เพราะเราทำไม่หยุดอ่ะ เราทำไม่หยุดเราใส่ใจเรื่องนี้ต่อเนื่องจนมันเกิดผลขึ้นมาพอมันเกิดผลขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้อุบายในการนําไปใช้มันจะเป็นโดยธรรมชาติเองเราจะไปไปทําการทํางานไปทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่นี่ยี่เราสวดในในในใ น, ในสติประฐานสตรหมวดที่ว่าด้วยสัมปชัญญปะปาน เรื่องถ่ายอุาราปัสสาวะเรื่องการพูดการนิ่งการหลับการตื่นทุกอย่างนั้นมันใช่หมดทรงบาสทรงกีวอนมันใช่หมดเลยแม้แต่เปิด้าบาตตอนที่เราไปรับอินทบาทแม้แต่การกุ้มตัวมี้มันใช่หมดมันเป็นตัวเดียวกันก็มาจากตัวเนี้แต่ว่าตัวที่มันไปนสัมผัสคนตอนที่มันเกิดเราจะัทิงคุณค่าของมันว่า สิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเห็นคุณค่าว่าความรู้สึกตัวซื่อๆเบื้องต้นที่เราทําเนี่ยถ้าเราหยุดระหว่างที่เราไม่ทําต่อเพราะมีนิวันมากัน้นความไม่แน่ใจความลังเลถ้าเราหยุดแค่นั้นมันก็ไม่ได้อะไรเลยแต่พราะเราไม่หยุดมันจึงให้เราได้มีโอกาสได้รู้จักเรื่องการทําน้องดอกแบบนี้แล้วมาส่งผลด้านไหน เวลาภาวนานี่ยตมาจําลวงพ่อว่าให้ศึกษาให้หัดเรียนรู้ให้หัดศึกษาบางทีมันจะเกิดอะไรขึ้นมาที่เป็นความหลงตัวเองตมาพยายามรีบสรุว่อย่าไปคิดแบบนั้นบางทีเห็นโยมมากราบมาไหว้บางทีถ้าช่วงไหนที่มันกิดดีๆนาะก็พ อ, พอมีอันนส่งให้กราบให้ไหว้แต่เวลาบางช่วงที่กิดในข้อดีต้องรีบขึ้นมาเนี่ยอย่านะอย่านะย้อนขึ้นมามันสมควรหรืออย่างประมาณนี้ย้อนขึ้นมา ย้อกลับมาที่มารู้สึกตัวไว้ก่อนอย่าไปหลงบอกตัวเองอย่าไปหลงในสิ่งที่เขาให้เราให้กลับตัวมาที่ตัวเองกว่านความหน้าที่เราเพื่อจะทำํำตรงนี้มันมีเยอะอยู่มันยังไม่ใช่คือพยายามปรามตัวเองที่จะไม่หลงตัวเองเวลามันเกิดสภาวะอันนี้ต้มหลงเราก็รู้ว่ามันมันเป็นไัยเป็นไัยพวกนี้เราถึงอยู่ในรู้เรา ร, ร, รู้ตัวเองอะไรที่มันมีระดับเข้มข้นมันจางหลงรู้จากตัวเองไม่มีใครรู้เราเกินเราใช่ไหม แต่เราเพียงแค่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ด้านในเนี่ยเราเพียงค้นพบวิธีการแล้วเพื่อจะลดกําลังของมันให้ลดลงถ้าเรามีวันนึงมีโอกาสได้ทําเรื่องนี้อย่างอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราเคยรู้จักอย่างแัดกินแล้วว่านี้คือมันทุกเนี่ยนี่คือเหตุได้เกิดทุกข์มันจยุดเนี้ยมันจะแก้ไขถูกมันจะรักษาเยียวยาตัวเองถูกทำไเวลาปฏิบัติไปเนี่บางคนโอ้ทำไมยมปฏิบัติไปแล้ว มันยังโกรธอยู่มันยังอะไรโธ่อะไรให้เราความโกรธไม่ใช่เรื่องที่ยดับง่ายๆนะขณะพระโสดาบันแท้ๆก็ยังโกรธอยู่นะยังโกรธอยู่เห็นไหมพระนรร้องให้ตามหลังพุทธเจ้าไปเดินมิตรบาทนางมาคันธิยาสั่งคนไดิดาพุทธเจ้าด่าแต่เราคนไม่แต่นักธ ด, ดําด่านั้นเลยเวลาพุทธเจ้ามิตรบาทด่า พวกเจ้าเดินเชิดพระนดร้ อ, องให้ตามกุฏิชักคอยพวกเจ้าหนีไปอ ย, อยู่ที่เมืองอื่นเพราะมันี้เขาด่าเหลือเกินท่านยังร้องให้อยู่นาวิสาขาหลานตายนีก็ยังร้องให้อยู่คือความเศร้าโศกความคนนี้มันยังมีอยู่ในจิตของพระโสดาบันอยู่อะไรเราไปคิดว่าจะให้มันโกรธมันโกรธก็ไปเล่าให้มันโกรดนั่มมนแหละสังขัสก็คือว่ามันคุมได้แค่ไหนเวลามันโกรธขึ้นมา เราคุมมันอยู่ไหมเราเห็นมันไหมเวลามันกรธขึ้นมาบังคับมันอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็รู้ว่ามันไม่อยู่แต่คนที่คนที่ปฏิบัติแล้วนี่โอกาสที่จะไปทำอะไรแบบที่มันเป็นเรื่องที่มันเกินความคาดหมายมไม่ค่อยมีเช่นจะไปด่าแรงๆคืนหรือจะไปชกเขาต่อยเขามันมันมันแทบไม่มีเหรอาพวกนั้นเนะเพราะมันมีอยู่ว่าตัวดูเดี๋ยมันกลับมาดูเร็ว มันกลับมาดูเดียวพอมาดูแล้วก็เห็นอาการที่ใจมันเต้นก็เห็นอาการที่มันคูแดงก็เห็นนลอาการที่มันเรื่องเสียงสั่นอะไรสั่งก็เห็นอยู่เวลามันโกรธมันเห็นมันทุกอย่างแต่เห็นอาการที่มันเกิดแต่การที่จะไปสนองตอบเวลาการเกิดมันพยามันจ่มีตัวบังคับตัวมีตัวควบคุมมาอยู่ตัวควบคุมคืออะไรนี่หละที่ทําทำมันจะไปส่งผลตอนนั้นมันคุมตัวเองอยู่เวลามันเกิดอะไรขึ้นมา นั่นคือตัวนี้จะเป็นตัวที่มันต้องฝึกปฏิบัติไปทําไปมันจะมีคำหนึ่งที่เราได้ยินว่าทําแหละย่อมรักษาพุที่ปรพุพฤติธรรมนี่ถ้าเราประพฤติสิ่งนี้อยู่วันหนึ่งเราเกิดถึงข่าวคับขันมาสิ่งนี้มันจะช่วยเหลือเราเองแต่ตอนที่เราอยู่ปกติก็ทําใบ ป, ปฏิบัติไปบางคนโอ้ยไม่ได้อะไรปฏิบัติแบบนี้ ไ, ได้อะไรเกิดความท้อแท้ตัวเอง แต่มาก็จําลงปูเทียนนี้แหละบางทีถ้ามันไม่ได้อะไรจริงๆนะจาำหลวงปู่เคยเทศสอนว่าบุคคลที่ทําเรื่องนี้แล้วถึงไม่ได้อะไรตอนที่ปฏิบัติแต่ห้านาทีก่อนที่จะตายทุกคนจะต้องประสบภาวะเรื่องเนี้ยเอาแค่นี้เอา เ, เอานี้ไว้ก่อนหลวงปู่ว่าห้านาทีคนก่อนที่จะตายสภาวะนี้ต้องเกิดขึ้นมาแน่นอนแต่มันก็มีแต่อยู่ตรงที่ว่าถ้าคนไม่รู้จักเรื่องนี้มาก่อนเลย ก็จะไม่รู้จักเอาประโยชน์จากสภาวะอันนี้แต่ถ้าคนที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยก่อนหน้านี้จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละแต่พอถึงจุดนั้นเขาจะเอาเขาจะรู้จักสิ่งนี้แล้วก็มาแส่ต่อสิ่งนี้เป็นถ้าอยู่กับสิ่งนี้ไว้ความซื่อเชื่อคิดดูสิเอาลองวิเคราะห์ลงกันไอ้ซื่อเชื่อจะมีผลยังไงเราไปดูพุทธพจข้อหนึ่งว่าเมื่อจิตเศร้ามองแล้ว สุกติเป็นอันต้องหวังเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วสุ ข, ขติเป็นอันต้องหวังทีนี้ถ้าอยู่กับความซื่อซื่อเฉยเฉยนี่มันเป็นสุขวิตหรือสุ ข, ขติความซื่อเนี่ยที่ไม่ต้องเอาอะไรเลยเนี่ยคนทั่วไปเกิดมาเพราอพระอุปทานเกิดเพราะอุปทานอยู่ก็เพราะอุปทานอุปทานขันทั้งห้าอุปทานบุคคลอุปทานทุกอย่างอุปทานหมด ตัวอุปทานนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองของกิดคนความห่ ว, หวงน้องผนี่ไม่ใช่ดนดีนะเราโอ้ยลูกมาหรือยังหลานมาหรือยังแม่รอใจอยู่พวกนี้ยอย่าไ ป, ไปแทะอย่าไปส่งเสริมเขาเลยนะนะพวกนี้มันร้วนแต่ทาให้กิดเศร้าหมองมันห่วงอุปทานนั้นนะนี่คือคนที่ไม่เคยปฏิบัติแต่คนที่ปฏิบัติแล้วตาไมาก็ไม่ได้ถามหลวงปู่หรอกแต่ตาไมาคิดว่า ไอ้สภาวะที่มันซื่อเชยเฉยที่เราเคยสัมผัสมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสภาวะที่หลวงปู่หมายถึงแล้วเราก็มาอาศัยสภาวะซื่อเชยเฉยนี่คือไม่ต้องห่วงใครเลยเนี่ยในเมื่อมีห่วงใครๆแล้วอะไรเกิดขึ้นนะคนก็มีเครื่องอยู่นั่นเองนี่คือกําลังใจข้อหนึ่งที่เคลียดอยู่เรื่อยเอาละเราก็แค่งวงวายแค่นี้แหละอย่างเรารู้จักบ้างแล้วตัวที่ว่าเนี่ยถ้ามันจะได้ละตอนนี้ก็รอจ น, นข่ะแล้วกัน ตอนนี้ก็สะสมไปก่อนทามันยังไม่ได้อะไรก็ปฏิบัติไปก่อนทำหน้าที่ไปก่อนคือถ้าไปเร่งให้มั น, หนให้มันรู้ตามที่มันจะรู้มันก็ในเมื่อบรณมีไม่ถึง่มันก็ยังไม่ถึงแต่ถ้าทํำไปมีหน้าที่ก็ทําไปมีงานก็ทําไปไม่มีงานแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับพวกนี้ไปถึงย้อนขึ้นมาเขาสักครั้งวันหนึ่งแค่ไม่กี่รอบก็ถือว่ายังดีอยู่นะกล่าวคือมาที่ความรู้อันนี้ยความรู้ที่ว่า ควมรู้ที่ว่านี้มันไม่ใช่อะไรมากนะแค่เอียนกายเนี่ยแค่สติเราสัมผัส ก, กับเวทนาที่มันเกิดหลัทงที่มันเกิดจริงๆเนี่ยเวทนาจริงๆก็ยังเป็นตัวปฏิบัติแล้วเพรยังไรอาศัฐานกายฐางเวทนาเป็นที่ตั้งของสติสมัมปชัญญะแล้วมันไม่มีอะไรมากจริงนะถ้ามันกลับถ้าเราเป็นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันจะอยู่ปะปนกันบ้างกับเรื่องพวกนั้นแต่ถ้าเรากลับกลืนมาย้อนในสิ่งที่เรากําลังทาอยู่เนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะให้เราสัมผัสสินี้บ้างไม่มากก็น้อยนั้นลองลองลอ ง, ลองตั้งใจทาลองดูทำแบบทำไปหลวงพ่อเคยพูดเสมอว่าให้หน้าที่สองส่วนหลวงพ่อคู่กันระหว่างหน้าที่ทางกายทำเพื่อชีวิตอันเนี้ยก็ทาไปหน้าที่ทางสังคมทำก็ทำไปแต่หน้าที่เพื่ อ, อ น, นี้ก็ต้องทำด้วย หน้าที่ด้านในนะเ mm. พื่อตัวเองโดยเฉพาะก็ต้องทำแต่ก่อนเวลามีคั้นหนึ่งเคยกลับจากเชียงใหม่ท่านพาไปเข้าค่ายกลับจากค่ายมาก็านั่งรถคันที่อาจารย์สมพงษ์ใช้แนะละรถตู้วิศูยอดพิษคันเก่านะนั่งมาหลวงพ่อคุยฟังคุยเรื่องทำงานคุยเรื่องปฏิบัติออกจากเก็บ ว, วรุ่ใหมๆ่ๆหมมันจะรู้สึกว่ามันมันฟังอะไรก็ฟังดีนะ ฟังดีคุยสนุกของพขาเขาจนคุยไปก็พูดเรื่องการทางานตามอุดมการเผยแผร่ไปในเวลาเราก็เข้าปฏิบัติเพื่อชาตัวเองจะปลุกตัวเองได้มาแล้วก็แบ่งปันคนหนึ่งเข้าไปทั้งก็ใช้แนวเนี้ยพาพาปฏิบัติมาเคยคิดเนี่ยเคยคิดคำหนึ่งว่าอยากจะไปเข้าเก็บอารมณ์เคยไปช่วยงานในสายงานไม่ได้ไปช่วยหรอกไปปฏิบัติ ไปทางอุดรเลยไปฟังหลวงตารูปหนึ่งนั่งอยู่ข้างเรานี่แหละก่อนหน้าเนี้ยที่ท่านยังไม่ได้จับมายเนี่ยก็มองว่าเป็นหลวงตารูปหนึ่งธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งแต่รู้แล้วหน้าหน้าท่านเฉสายนะวันนึงท่านก็มีโอกาสได้ได้คุยในเทศประเนทนท่านพูดให้เราฟังให้ท่านพูดว่ากับไอ้สายตาลของเราที่ไปประเมินท่านคนละเรื่องท่านเจ็บลมเกียดปีอ่ะ อยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยเจ็ดปีระหว่างเจ็ดปีท่านว่าสามปีแรกแทบไม่ได้อะไรเลยฟุ้งอย่างเดียวทั้งโรคภัยเดียดเบียนทั้งโรคทางปากทั้งโรคทางท้องสามปีท่านว่านะแทบไม่ได้อะไรเลยสู้เวตนาอย่างเดียวธนาอยู่มาเจ็ดปีท่านก็ท่านไม่รู้อะไรเลยท่านพูดอนะนะว่าท่านรู้เฉพาะตัวเอง เรืออแทบไม่รู้อะไรเลยสบางโอ้หลูกตาต้งไม่ธรรมดาเอ็นเราตาไปมองท่านก่อนหน้านี้แค่บอกขอขามาท่านน่นะสามปีท่านอยู่กับเวทนานอยู่ในห้องไม่ใช่เก็บรมณธรรมดานะเจ็บอารมแบบที่ไม่ต้องได้ออกจากห้องเลยอะ่ะเวลาไปส่งข้าวก็เขาก็ย่อนยิ่งก็ไปสง่งแล้วท่านก็ฉันในห้องห้องก็ไม่ใช่ห้องกว้างอะไรมากโอ้โหบฟังท่านท่านเจ็บอารมณ์เก็บตีเราก็อยากเก็บบางสิ่ ไปลองเข้าดูสิบห้าวันคุ้งเกือบตายเป็นข่าวเรานะถ้าคนอื่นทําแล้วท่านทาแล้วเรนึกขึ้นชมท่านนะแต่พอถึงข่าวแล้วก็ไอ้ตัวเดิมเรากิเล้เราเนห่ะปุ้งปุ้งแต่ท่านสู้กับความคุ้งความทุกข์ยากต้องสามปีท่านว่าเนะนั่นคือเรื่องการปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันสนุกสนุกว่าได้ศึกษาตัวเอง ต้องสองส่วนนะส่วนที่มันทําฝ่ายดําทําฝ่ายขาวด้วยธรามาจะแบบนั้นเอาทําฝ่ายดําเกิดขึ้นก็เออยังเดินอยู่เยอะนะเอามันเกิดมากับสินี้ก็อยู่กับกันไว้ก่อนให้เรารู้ ก, กับเจ้ายิ่งก่อนพอรู้จักเขาเวลาทําฝ่ายดีเกิดขึ้นเออพอได้หล่อเลี้ยงเราบ้างพอได้เป็นกลังใจที่จะให้เราได้ได้ฟอได้สัมผัสบ้างในสิ่งเนี้ยพอได้เป็นพ ล, ลังกาลัง เพิ่ังให้แก่เราในการที่จะเดินต่อไปในเส้นทางนี้เพราะประมาณนี้แหละอยู่ทําไปอยู่ไปอยู่มาก็เพลินเป็นหลายหลาปีบางทีถ้ า, ามาอยู่กับเนรมั น, ม, นมันกลับตัวเองเป็นเด็กเป็นผ้าใหม่เมื่อไรรู้สิเขามากลาบเป็นสะดุ้งตัวเองนะพออยู่กับภาคกับเนนที่วัดไม่มีอะไรมากใช่ไหมถ้าเราอยู่แต่พอถึงคราวที่ท่านทนําสามีกรรมหรือมีอะไรต้องมาลึกเราก็ไม่ใช่คือมันมันเพลินในการอยู่แบบนี้ มันก็มีประมาณบ้างดีบ้างหลงบ้างชั่วบ้างสลับกันไปแต่มันอยู่ในเส้นทางของการศึกษาของการเรียนรู้ตัวเองในสิ่งที่มันเกิดเในสิ่งที่มันมีคือคือสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดีสําหรับที่จะให้เราได้เป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้คืออย่าไปหลงมากแล้วก็อย่าไปไปเพลินมากเพลินมากมันก็อยู่ในฝ่ายของย่อหย่อน ถ้าเป็นหลงอะไรมากก็ฝ่ายตึงเกินไปถ้าฝ่ายตึงเกินไปเกิดไปสําคัญมันหมายผิดก็เกิดเรื่องทีนี้ในละอย่างพระเรามีเรื่องของพระวินัยขอ้อพรมละหยากรุ่งทีถ้าเคยความเพื่อนผ่านพูดทีหมดแล้วมันเตืดแล้วไม่มีอะไรแล้ว้เราเสียวจริงๆนะครับพูดประเภทนี้บางที ม, ม, ม, มันมีแล้วความกดก็มีแล้วไม่ใช่ คือถ้าพูดหนักเกินไปมันก็มีสุ่มเสี่ยงหลายอย่ยาปฏิบัติแบบนี้ก็เลยต้องระมัดระวังตัวเองในเรื่องพวกนี้มากถ้าพูดก็ดในเชิงประสบการณ์ที่มันเคยเกิดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันหมดนะแต่มันเคยเกิดมันสัมผัสได้จริงยิ่งไปสวนโมกโนะวนโมกอยู่ที่กรุงเทพโอ้อาตมาชอบไปนั่งนะห้องนิผ่านชิมลองเป็นนั่งเป็นนั่งเป็นนั่งดูท่านนิพานชิมลอง พอคำนี้คือโอ้ที่ลงปูุ่ทธานว่านี่ผ่านชิมลองชิมลองคือไม่ได้แค่คชิมเฉยเฉยชิมลองเฉยเฉยให้เค่รู้จักรสชาติเฉยเฉยแต่ยังไม่ใช่เรื่องที่มันมีอยู่ท้าวอนนี่นะแค่ชิมให้รู้จักเรื่องนี้ผ่านชิมลองคืออะไรที่เป็นเรื่องที่มันก็ได้นิดนิดก่อนดีแนละ้วพอได้มีกําลังจะทําต่อไปอย่างในน้อยว่าเราก็ไม่ใช่เป็นคนอภิภาษุคคลหมายความว่า อะไรที่เป็นเรื่องของสภาวธรรมเราไม่เป็นผู้ที่อาภับต่อเรื่องนี้แค่เราสัมผัสความรู้สึกตัวได้ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่อาภับแล้วคนที่อาภัพน่าสงสารกเรื่องเนี้ยเมื่อกลางวันอาจารย์ยุทพาจะมาไปไปทุระก็เลยวิ่งไปถึงบ้านใกล้ๆบ้านแม่กำนันหละเขาแผลล้าเลยนะ นอนข้างเกือบการถนนเลยนะเกือบการถนนเลยทั้งกับปองแทบซี่เจ้าขวดโคกนอนแผ่ราเลยอยู่กลางข้างทางกลางทางเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคนอัภิภาบุคคลคือเขารู้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วสติสัมปชัญญะเขาไม่มีแล้วนะอย่างเราเนี่ยมันถ้าเราแค่สัมผัสความรู้สึกตัวได้มีโอกาสได้ทําความเทียนมันชาอะไรก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่มีตัวนี้อยู่ เราก็ค่อยเพิ่มคูนเอาเพิ่มคูณเอาจังหวะในที่มันพอจะเร่งก็เร่งจังหวะในที่มันพอจะศึกษาก็ให้ศึกษาค่อยเรียนรุ่นไปกับเรื่องพวกนี้มันจะทําให้เราไม่ไม่ว่างจากงานมันจะมีงานทําอยู่เรื่อยงานภายนอกทํามากก็เจ็บเจ็บขิงนะเจ็บลิงมัวปัวยไถหยาโดนพวกนะนางโดนปวดากกดกล่นบะ้าะอันนี้คืองานภายนอก ถ้างานภายในเนี่ยคือทําให้มันเพลินไปยังไงเสียเนึ่ยประคับประคองตัวเองให้อยู่ในเส้นทางนี้ให้มันได้อย่าออกนอกเส้นทางอันนี้ไปจะ อ, ออกไปจนถึงไม่เอาแล้วปฏิบัติทําไม่เอาแล้วก็อย่าให้เป็นตัวเองเป็นแบบนั้นหรือไปหลงสําคัญมั่นหมายอะไรจนไม่อะไรแล้วก็ให้เป็นแบบนั้นอาตมาไม่กล้าไปมีโยมคนหนึง่ง อยู่ที่จังหวัดเดียวกันเขาเคยมีอุปการะต่ออาตมาเคยเป็นผู้ที่ทําให้อาตมาได้ไปอินเดียบวชมาสิบสองปีได้ไปอินเดียเพ่อโยมคนนี้แล้วก็เคยมาที่วัดบ่อยๆทั้งแม่ทั้งลูกเลยทั้งหลานก็มาด้วยแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มเกิดทิฐิตนึกขึ้นว่าเขาสงสารอาตมาเขาฝากความมาสงสารเพราะอะไรคนที่แกิปฏิบัติธรรมคือบาป ท, ที่สุด คนที่เข้าวัดคนที่แบบบาปที่สุดว่าอย่างั้นคนที่คือที่เราทำของเขาเป็นคนบาปเลยโอ้ิดตีเขามันมันมันเอาคืนไม่ได้แล้วอะ่ะเขาเคยเขาไปฟังคนที่พูดเรื่องไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยเชยเนี่ยทำผมก็อย่าไปทำให้ทาก็อย่าไปให้สตงก็อย่าไปรักษาประมาณนี้อยู่เฉยเฉยละ มันนิพพานของมันเองว่าอย่างนั้นเห็นพระก็คืออย่าไปสนใจพระอะไรพระประมาณเนี้ยคือเขาไปไกลมากเขาฝากความมาตมาว่าให้อาจารย์หยุดปฏิบัติทำซะหยุดเผยแผ่ซะมันบาปคือทำพุทธเจ้าไม่ต้องปฏิบตัติไม่ต้องเผยแผ่กว่าอย่างนั้นนะถ้าแหวนมันสุดโต่งเกินไปนะ่ะเอาไม่อยู่ถ้ากี่คนเป็นแบวนมันเกิดอะไรขึ้นมันเอาไม่คืนแล้วแตมาไม่กล้าไปหาเขาเลยนะ มีคนว่าอาจารย์ทำไมไปไม่ไปเยี่ยมบ้างสมมาก็ยังไม่กล้าไปไปหาเขานะถ้าเขาถึงขนาดนี้แล้วไม่รู้เขาจะไปฟังใครอ่ะมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นสุดตรงมากถ้าปล่อยตัวเแบบนั้นคือมันออกนอกทางไปแล้วเราให้ปกครองบบอตัวเองนะ่ะอย่าไปสุดตรงถึงขนาดนั้นอย่าไปปล่อยถึงนั้นเลยถึงขนาดให้มันอยู่ในครองนี้มีเวลาก็มาปฏิบัติมีเวลาก็ปฏิบัติทำวมดสดบนปฏิบัติไปถ้ามีเวลาว่างก็หามุม เจอโยกมสร้างเยวะเราไปให้เพิ่มปุณแบบนี้สะสมเหตุปะใจแบบนี้มันจะดีเองแต่ว่าปฏิบัติใหมอาจารย์เงินศิลปเข้าไปสอบรุมเนาะภาษาภาษาสองอาจารย์ไปหาเฮ้ยอาาว่านสไตล์อาจารย์อย่าบรรลุเร็วนักเสียวาให้มันถึงยี่สิบภาตาก่อนอาจารย์ว่าแบบนี้นะคือตอนที่พูดอาจารย์วาตอนนั้นน่มันคล้ายๆมันเอาสภาว่ามาคุยลรวนอาจารย์ก็ยังว่าอย่าให้มันรุรวอย่าให้รุเร็ว มกกัน น, น้อยประมาณนี้นะนั่นคือช่วงนั้นคือให้เราปฏิบัติไปให้ตัวนี้มันตัวหล่อเลี้ยงความมาอยู่เราไปปฏิบัติไปศึกษาไปนะี่ยมันจะมีเครื่องอยู่ของเราเองทําแบบนี้นะนั่นก็ฝา ก, ากไว้นี่แล้วก็คุยสู่ฟังนะช่วงระหว่างนี้ก็อาจารย์มาายเชียนท่านดูแลอาจารย์มาหมอนดูแลอยู่แต่มาเขาแวบมาแวบนี้บ้างไปตามเรื่อง ตามเรื่องตามหน้าที่ของมันได้ไปทํางานได้ไปช่วยได้ไปอะไรก็ดีหมดระหว่างนี้นะมันเป็ช่วงจังหวะเวลาที่เราช่วยๆกันโดยเฉพาะมาช่วงวาระระหว่างนี้นะใครมีอะไรที่พอจะได้ไปจัดได้ทําได้ลงมือทําระหว่างนี้ทุกอย่างรวนแต่เป็นอาจาะได้ย่บูชาหมดมันไม่ใช่เรื่องอื่นเนะท่านเคยแนะนําไว้ว่า ถึงเราปฏิบัติแล้วมันยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเนี่ยแต่ให้วางใจลงมาว่าสิ่งนี้ทำนี้ไม่เราไม่เอาอะไรเลยแต่ขอให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอให้ความภาพไปที่เราทําในขณะนเป็นเครื่องบูชาพระนรัยแค่นี้ก็พอแล้วปฏิบัติถ้ายังไม่ได้อะไรนะที่เห็นว่าตัวเองยังไม่ก้าวหน้าเนี่ยให้วางใจแบบนี้การวางใจแบบนี้คือมันจะไปลดความอยากเบาลงป่าวพลอยับกิจให้มันอยู่ในดุนย์พอดี แล้ว ม, มันจะปฏิบัติได้ไปเรื่ อ, อยๆไม่ได้ออกนะก็คงจะสมควรจะเวลาเนาะอะไ้เป็นเบียก์มาดโดนอะไเพื่อบอกโดนแตะแฉะนั่นไลยเป็นนอ้อนะเป็นไรเนาะคนที่ปฏิบัติไปก็ให้ตั้งใจเด้อเใยเวลาอีกไม่กี่วันวันนี้ก็วันที่สามที่สี่แล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่ อ, อยๆ ยี่้มีโอกาสได้มาปฏิบัตินะวะนี่ก็ขอหมดขนาดนันขอให้สิ่งที่ได้สังสมค่าคูนภาคเทียนมาตั้งแต่เบื้องต้นในสิ่งนั้นจงรวมกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จอางที่ตั้งใจไว้ขอแต่ละท่านด้วยการทุกคนท่านเธอครูบาอาจารย์แต่ละโลกเนะาะกว่าที่จะผ่านมาฝ่าน ผ่านมาผู้ได้เราฟังได้ยิ่งครูบาอาจารย์อายุภรรษาเยอะๆที่ผ่านการปฏิบัติมาหลายปีนี่ฟังมาสองสารโลจับเรื่องหนึ่งได้ไหมความเพียนความรักความรักในความรู้สึกตัวความทุ่มเทการฝ่าฟันความง่วงความเบือ่อสิ่งที่โยบเจอนี่ครูบาอาจารย์แต่ละโลกท่านามาจนละเอียดยิบไปหมดแล้วเรื่องเหล่านี้ จนกว่าจะจะมาพูดเหล่านี้ให้โยมฟังได้ลงตารูปหนึ่งเก็บอารมณ์เจ็ดปีเนะี่ยเอาไหมแค่เจ็ดวันก็พอพวกเรากัตากตัวอยู่ในห้องนี้แค่บอกว่ากาักตัวอยู่ในห้องเจดวันนีนรู้สึกยังไงใจมันฮึกมเหิมแล้วใจมันหอยเหี่ยวถ้าอย่างนั้นจะพึ่งไปไหนเลยอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่แหละจะ <laughs> พึ่งเอามาผลนิพพานอะไรเลยเอาแค่เจ็ดวันแล้วใจมันไม่ดิ้นเนยพอก่อน ความเพี่ยนนะสำคัญเรื่องภาวนาว้าครูบาอาจารย์จะมาถ่ายทอดให้สิ่งนี้ท่าต้องผ่านก็เหมือนสิ่งที่เราต้องพานนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องพานต้องต้องฝ่าฟันกันไปอยู่ช่วงนี้เราก็ปฏิบัติส่วนที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ทุมเท่กายใจคนที่ทํางานก็ปฏิบัติกับงานกับการไปวันนี้พอสมควรกี่เวลาเนาะกลับมา พ, พร้อมๆกัน